เสียงอานหนังสือคุณลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาอาจารย์สุชีปุญญานุภาพผู้ได้รับฉายาว่าบิดาแห่งมหาวิทยลาลัยสงไทยผู้แปลและจัดทาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนและพจนานุกรมศาร์พระพุทธศาสนาหนังสือดีที่ติดอันดับแนะนำให้ชาวพุทธได้อ่านสักครั้งในชีวิตสรุปคาสอนสาคัญห้าหมวดหลักที่เป็นจุดเด่นและมีในพุทธศาสนาเท่านั้น อันเป็นสาระสําสคัญจากพุทธวจนะและพระไตรปิฎกเพื่อจะรู้ชัดให้ถูกทางว่าพระพุทธจเจ้าสอนอะไรมีทัศนคติต่อเรื่องทางโลกและทางธรรมทั้งการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับสังคมและความเชื่อในพระธรรมคําสอนรวมถึงความเชื่อเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติต่างๆไว้แค่ไหนอย่างไรถือเป็นหนังสือสรุปพระไตรปิฎก หรือสรุปคำสอนหลักที่สาคัญของพุทธที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งโดยเน้นแก่นสำคัญที่คนเข้าใจให้ตรงที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสําหรับคนทั่วไปแต่คงเข้มข้นในหลักวิชาการที่นำสู่การรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงว่าคำสอนที่ถูกต้องคืออย่างไรอันจะทาให้กระชับสู่ความเป็นพุทธแท้แล้วรักษาพระศาสนาไว้ได้จริงต่อไป ตัวอย่างหัวข้อที่สำคัญ 1. การสอนให้สู้หน้าความจริงและตรงไปตรงมาการมองโลกตามความเป็นจริงคำสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเทวทูตสี่มรณสติเรื่องเลือกยามน้ำมนตเทวดาเนรกสวรรค์ทัศนคติของพุทธที่แท้สอนไ ว, อไวน้อย่างไรชาวพุทธควรยึดถืออย่างไร 2. คำสอนที่ไม่มองข้ามปัญหาเศรษฐกิจหลักเศรษฐศาสตร์ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงการเงินการงานอาชีพการใช้ชีวิตหลักสนองความต้องการทั้งโลกหลักบรรเทาและอยู่เหนือความต้องการที่เกินจำเป็นการแก้ความชั่วด้วยความดีเรื่องความพยาบาทการแผ่เมตตาให้อภัยหลักระงับเวียนภัย 3. เรื่องธรรมาธิปไตย มีรมเป็นใหญ่การปฏิบัติบูบชาหลักทำบุญให้ทานทำดีได้ดีคำสอนเรื่องอคติสี่เรื่องมงคลและการไม่ปฏิเสธหรือรังเกียจคำสอนศาสนาอื่นถ้าถูกทมและมีประโยชน์ 4. สอนให้ใช้สติปัญญาแก้ไขความทุกข์ถูกทางคำสอนเรื่องปัญญาในแบบพุทธความเชื่อที่มีปัญญากากับ การไม่เชื่อในทางที่อาจผิดพลาดหรือหลักกาลามสูตรข้อควรรู้เรื่องสติปัญญาที่มีหลายประเภทการแก้ทุกตามหลักอริยสัจเรื่องอริยมรรคการคิดแบบพุทธคิดอย่างไรจึงผ่อนคลายทุกได้การนึกถึงความตายห้าคำสอนให้พึ่งตนยกระดับตนให้สูงขึ้นและกดแห่งกรรม คำสอนด้านพัฒนาคนที่สอนให้มีสมบัติผู้ดีวัฒนธรรมในการกินดีอยู่ดีรักษาของส่วนรวมปฏิบัติตนต่อสังคมคำสอนให้พึ่งตนไม่สอนให้ได้ดีด้วยการวงสวงกฎแห่งกรรมสิบสองประเภทวิธีสดอดครอบแบบพุทธแท้กฎแห่งกรรมกับพระพุทธเจ้าคำสอนเรื่องไตรลักษณ์อัตตาและอนัตตา อ่านโดยอริยคุณชมรงพลดีร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลักคุณแม่เองไทยเจริญภัยสารเตชาวลีกุลสมรภูมิอ่อนสีเจ้าภาพรองครอบครัวเอี่ยมวงสีครอบครัวสีโพคาคุณแม่แสอำนาจหานกิตสุดาพรตรงสิริครอบครัวข้าหาสุวรรณครอบครัวเกษมสุขพัฒค ร, รอบครัวสุคนธาติกุลสมเจริมปานุภาพเอกธนัตบุรณภพรชัย